ف َ خير فاعينون بقوة أجعل بينكم وبينهم ر د ا أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني ذبر الحديد, آتوني ذبر الحديد حتى إذا سوا بين الصد فين قال فخو حتى إذا جعلهنا را حتى إذا جعلهنا را قالتني أفرج علي قترا ف م س ت ا ع أين يظهر ف م س ت ا ع له نفع و م س ت ا ع له قال هذا رحمة من ربي. Allahu Rabbi al Rahman al r a h الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ميَّدِه الله فلا مضلَّلَ وَمَن يُضلّ فَلَهَاذِيَلَ وَأَشَدُّ ا ل ل َ ه ا إِلَهَ إِلَّا ا ل ل ه ل ه ฟ أ ش ه د أن م ح م د ้ามูฮัมหมัดะอ ل บดุห์วะรัสูละอาลลอฮุ์มัลลิคะอัลบัพหนะวับบิกะอัมซัยนะวับบ ل ก ه นัชยาวับบิก ما خلق أعوذ بك لما ت ูชูร์อั ا กุญซุบิกะลิ อ ع و ذ بكلمات الله ت ا ل ى ما تمن شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم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 ر ض ي ด بالله ر ب ห ا و بالإسلام د ي ن สล و بمحمد ا ل ر س و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาศซุบฮ์ที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลา์เราต้องขอบคุณ a l l a سبحانه และุ้ต์อาลัที่ Allah ให้เราตื่นขึ้นมาหลังจากที่เราได้นอนหลับไป กระดัวที่เราอ่านกันทุกคนนะคนมาอ่านไม่เป็นก็ต้องฝึกเพราะตรงนั้นเป็นสุนนะของท่านนบีแล้วก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาลาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลลิอ์ยานะบัดดามะอามัตนาไวลัฮินูชูรแปลว่าอะไรบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮฺ อัายานะให้เราได้อามาอหายานะให้เราตื่นขึ้นมาให้เรามีชีวิตขึ้นมาบาดามาอมารตนะหลังจากที่พระองค์นั้นทำให้เราได้ตายไปหมายถึงนอนหลับฉะตัน <c oughs> การตายกับการนอนหลับนาะเหมือนกันอยากจะรู้ว่าเออคนตายมันอยู่ยังไงก็ นอนบนที่นอนหลับกับคนตายอยู่ในกูโบเหมือนกันนอนอย่างนี้ก็เรียกว่าตายเล็กตายใหญ่ก็หมายถึงนอนอยู่ในสุสานแต่นี้ตายแล้วตายเลยไหมตายแล้วไม่ตายเลยตัวอีไลหินนูชูดและยังพระองค์ที่เราจะต้องฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปอยู่ต่อหน้าพระพักแห่งอัลลอฮฺ سبحانه และ เนี่ยเตือนตัวเราตลอดเวลาให้เรานึกถึงความตายการนึกถึงความตายดีหรือไม่ดีดีมากๆเลยในบีสอนอย่างนี้อักซิรูซิกโรฮาซิมลลาจั ด, ดอักซิรูจงทาให้เยอะซิกรหมายถึงการรำลึกถึงฮาซิมฮาซิมนี่แปลว่าสิ่งที่มาทำลาย สิ่งที่มาบัณฑทอนอัลลาฮาตหมายถึงความอริสอร่อยสิ่งที่มาทําลายความอริสอร่อยนั้นไม่มีอะไรดีเท่ากับการดำลึกถึงความตายฮาซิมุลลาฮาติฮาลิมิลฮาซิมิลลาฮาตหมายถึงมาบัณฑทอนมาตัดทอนความอริสอร่อยนบีจะนึกถึงความตายเยอะ นึกถึงความตายในวันนิกาก็ได้เพราะหลายคนนิกาเสร็จยังไม่ทันอยู่ด้วยกันเลยตายอย่างใครอ่ะซอวบ้านบีมีอยู่คนหนึ่งร่วมหลับนอนกับภรรยายังไม่ทันอาบน้ํอยู่นุ่เลยชื่อทันฮัวโซละทันฮัวโซละเนี่ยอาบน้านิกากับภรรยายพอนิกาเสร็จก็ร่วมหลับนอนให้ความสุขกับภรรยายเสร็จแล้ว ตื่นขึ้นมาเนี่ยนบีประกาศบอกว่าออกสงครามออกเลยยังมไม่ทันอาบน้ำายกขนงฮดัสเลยพอออกไปก็ไปตายไปตายพอตายเสร็จ น, นบีเห็นมาลาอิกะเนี่ยลงมาอาบน้ำให้เรียกว่ารอซีลุลมาลาอิกะมาลาอิกะมาอาบน้ำให้นบีก็งงนบีก็ถามสืบไปสืบมาก็ได้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้อาบนา้มยกขดดสแล้วก็ออกทำสงขาราะนบีเชิญเนี่ยนบีเรียกเนี่ยไปเลยไม่รอนี่ตรงการจะบอกว่าอะไรที่ท่านนาบีเรียกเรานี่นะรีบไม่ใช่รีบตอนท่านนาบีมีชีวิตอยู่หรอกหลังจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วเรารีบได้ไมได้งานที่อัลลอ์สั่งให้ปฏิบตัตินันรีบทำตามสุนานะนาบีเลยขนาดนอนกับภรรยา นามจนาบะยังไม่ได้อาบอัลลอยังส่งมาเลายกามาอาบน้าให้สแสดงอะไรอะไรนะนแสดงว่าการที่เรารีบเร่งปฏิบตัติตามสุนนะของท่านนาบีนั้นอัลลอฮฺดูแลอัลลอฮฺคุ้มครองทัน้ไม่ต้องไปกลัวไปเออมาน้ามาที่มัสยิดมันได้อะไรยิ่งหนาวหนาอย่างนี้ไม่น่าออกจากบ้านเลยแต่ว่าอัลลอฮฺดูแลอยู่อัลลอฮฺคุ้มครองอยู่ ขอบคุณอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะตาลานาที่เราได้อ่านอัลกุรอานทบทวนอัลกุรอานอ่านกุรอานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่านเพื่อเอาเสียงอย่างเดียวอ่านเพื่อฟังตัจชีวิตอ่านฮาถูกหรือเปล่าถ้ามันฮาหายไม่ได้คุสวังโมโหนะต้องอ่านให้มันถูกฮาอินหุล มันก็ได้ผลบุญจากอัลลอ์แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่มีฉะนั้นถ้าอ่านแล้วรู้ความหมายของอัลกุรอานเนี่ยดีไหมดีที่มากมากเลยฉะนั้นเรามาทบทวนกุรอานกันอาละ <c oughs> สอนมาร้อยข้ อ, จ ำ, ข อ, อ, อ <c oughs> จำสักข้อหนึ่งก็ยางดีใช่ไหมจำสักนิดหน่อยก็พออย่ามาจำเยอะเราพรเราคนแก่แล้วหันมาหาอัลลอ์ตอนอายุกล้าจะเข้าโลงแล้ว ก็ขอทุากาต่อละให้เราเน่นได้มีโอกาสได้ฟังอัลกุรอานสม่าเส ม, มอ <c oughs> <c oughs> วันนี้มาถึงอายาที่95นะครับเมื่อครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องอะไรนะพูดเรื่องกุรอานพูดเรื่องซูลกอไนแล้วต่อมามาลงที่อะไรนะยะจูดแล้วก็มะจุดเราอายาที่40 94เนี่ยเราได้รับความรู้ว่าอินนายาจูดะวมะจูจะมุฟสิดูนฟิลอารุยาจูดกะมะจูดเนี่ยนะเป็นอะไรนะซึ่งอยู่อินด้านหนึ่งของภูเขานะอยู่ฝั่งคันูนและอีกกุมหนึ่งอยู่ฝั่งคันี้พวกซุลกอรไนเนี่ยไปถึงภูเขาแล้วก็คนตรงนั้นเนี่ย เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าทั้งที่คุยภาษากันไม่เคยรู้เรื่องนะตน้องมีล่ามนะคว่าพวกยะจยุดมายุดเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นผู้ก่อการเสียหายณนแผ่นดินมุฟซิดูนฟิลอร์บก่อความเสียหายนแผ่นดินฟะฮลนาจาอาลูและกะขโอรอจาดังนั้นขอให้เราเนี่ยถวายเงิน ถวายเงินถวายทองให้แก่ท่านเถิดมันก็จะจ้างให้ท่านช่วยคุ้มครองฉันหน่อยแบบอเมริกาถูกจ้างวันนี้แหละซาอุดีจ้างเลยดูแลตำแหน่งฉันหน่อยบาลังฉันนี่มันจะหมดแล้วเพราะมุสลินี่ปฏิวัติอียิปต์นี่ยทหารอิสลามนี่มันจเจริงเยอะๆตันั้นจะขยายไ ป, ปที่ประเทศประเทศประเทศประเทศแล้วก็ไปถึงซาอุดีอาระเบียหมดแค่ท่นมุสลิเองอย่าอยู่เลย เอาเงินไปไปปฏิหัารปัหจัยฐาทหารตวัดปฏิวัติทำได้สาเร็จแต่แ อ, น, อ น, นี้ อ, อายะนี่ไม่ใช่ตรงนั่นนี่เล่าให้ฟังเล็กในน้อยเท่านั้นเองฉะนั้นต้องการจะเอาเงินให้ให้ใครนะให้รุ่นกรอนในเนี่ยดูแลฉันแต่รุ่นกรอนในเป็นคนดีไหมเป็นคนดีเผยแพราศาสนาของอัลลอ์บอกว่าฉันไม่เอา เ, อาเงินของคุณ ของที่อราเล่ให er, ้กับฉันนั่นดีกว่าคุณตรงเยอะเอาดูอายะต่อไปกอลมามักกันนีฟีฮิรับบีขัยรกอลมามักกันนีฟีฮิรับบีขัยรแปลว่าอะไรก็ลน่เขามาถึงรุลกรนในเนี่ย พูดว่าไงนะมามักกันนีฟีฮิโอบบีคอยรนะุนสิ่งที่พระผู้อาภิบาลของฉันไปรอบบีก่อนนะมามักกันนีฟีฮิโรบีสิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงมักกันนีหมายถึงตั้งหลักแหล่งฉันคําว่าตั้งหลักแหล่งฉันหมายถึงให้มีอํานาจ มีการปกครองคือเอาล่อให้กับยุลงกรณ์ในเนี่ยห้ารายการนะขอให้นึกตรงนี้ด้วยหนึ่งอะไรบ้างให้อะไรนะให้อำนาจให้เงินเยอะแล้วก็ให้กองทหารนะแล้วก็ให้อะไรอีกให้ให้ความรู้แล้วก็ให้เครื่องมืออาวุธโอเป็นน้องนี่เห็นไหย่าได้ตั้งเยอะ 55รายการนะให้อะไรบ้างให้ความรู้ให้เครื่องมือให้การล้อมอะไรนะอบล้อมอบล้อมที่ไหนก็ยอมแพ้ ก, กันหมดเลยเนะี่ยแล้วก็ความรู้ความสามารถเครื่องมือเมียวงอาวุธนี่อัลลอฮ์ให้กับรุลก้อนนายแต่รุ่นก้อนนายเป็นคนดีนะออกเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์ไปทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ไปทางทิศเหนือ พอไปทางทิศเหนือนี่แนหะไปเจอกับคนกลุ่มหนึ่งคือคุยภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องอนะ่ะเอาละทีนี้รุ่นกนในเนี่ยไม่ตะกลับบนไม่เยอะยิงชาวบ้านเขาต้องการที่จะมอบเงินให้ขอให้ท่านดูแลชั้นอะไรชั้นออไม่เอาของที่อัลลอให้กับชันนี่นะเคยรุ่นดีกว่าดีกว่าที่ท่านรับอีตัวรองว่า ไม่จะ ก, กบดไม่เยอะยิงไม่หล้มตัวเองแล้วก็ไม่แล้วโมกที่จะเอาของคนอื่นด้วยเนี่ยถ้าเป็นผู้นําคนแบบนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺอาบดุหาเงินหาเงินมาดูแลคนอื่นไม่ใจดูแลครอบครัวตัวเองไม่เอาอย่างงั้นเราไม่เอาอยู่แ ล, แล้วทำไมเพระอิสลามสอนเราอย่างนี้นะกอเลมาหมักกันนีฟีรอบบีไครุนเคาวุซุลกอรไนกล่าวว่า สิ่งที่พระผู้อาภิบาลของฉันได้ทรงตั้งหลักแหล่งฉันให้มีอำนาจและการปกครองแก่ฉันนั้นดียิ่งกว่าค่อยรุนดียิ่งกว่าแล้วก็รุ่นกนายขออะไรบ้างฟ่าอีนูฝ่าอีนูนีจงช่วยฉันอีนูนีมาถึง Please help me โปรดช่วยเหลือฉันช่วยเรื่องอะไร บีกู้วัตินด้วยกําลังกําลังอะไรตัฟฟี่อธิบายดีด้วยกําลังคนฉันไม่เอาเงินจากคุณแต่ฉันขอเลเบอร์จากคุณอ่าขอคนงานจากคุณขอเลเบอร์จากคุณเงินไม่เอาทาทั้งที่ตัวเองนี่มีสิทธิ์เอาได้ไหมได้บอกฉันไม่เอาเงินกับคุณเครื่องบรณาการฉันไม่เอาเงินไม่เอาเอาอย่างเดียวเลเบอร์เอาอะไร เอากำลังเอากำลังคนเอามาทำอะไรมาช่วยเหลือฉันทำอะไรอาเจลไบนาคุมวะไบนาหุมรอดดมาดังนั้นพวกท่านจงช่วยฉันด้วยกำลังคนฉันจะสร้างกำแพงรอ ด, ดมาแปลว่ากำแพงนะฉันจะสร้างกาแพงหนาๆ กั้นระหว่างพวกท่านและพวกเขาพวกเขาเมื่อถงพวกยจัจยุตและมะยุตอยู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเอากำแพงมากันเห็น ไ, ไหมอัลฮัมดุลิลลาเนี่ยนี่เรื่องนี้มันผ่านมาแล้วนะแต่อ AH ัลลอฮ์เล่านตะพีอัลกุรอานยัจยุตมะยุตเนี่ยเป็นคนนะไม่ใช่เป็นยักษ์นะเพราะหลายคนเข้าใจว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนี่ เป็นคนนะเป็นลูกหลานของนบีอาดัมนี่แหละแล้วก็เป็นลูกหลานของนบีนวัวคือนบีนัวนะ่ะมีลูกอย่างนี้มีลูกอยู่สามคนนะอีกค น, นชื่ออะไรนะชื่อซามอาซามซามนี่อยู่เป็นเป็นีดาของใครจำได้มั้ยหยิบปีดาของใครเป็นปีดาของคนคนอะไร อเอาเอาสามเอาสามก่อนสามสามมีมีสามหามสามหามแล้วก็ยาฟิสสามหามยาฟิสนี่อิหม่าม <c oughs> อิบโนอัลมัดนะอิหม่ามอัลมัดนี่ ด, ด้รายงานบอกว่าท่านนบีสอนบอกว่าวุลิดนอลลาสละลูกของนบีนวลมีอยู่สาม สามคนที่เหลืออยู่หลังจะจมน้ําตายไปแล้วเนี่ยนะซามเนี่ยเป็นอบุลหาอัับซามนี่เป็นบิดาของชาวอาลลับทั้งหมดนะแล้วก็ฮามเนี่ยอบุลซูดานซามเนี่ยเป็นบิดาของชาวผิวผิวดําทั้งหมดแล้วก็ยาฟิสเนี่ยเป็นบิดาของพวกตุตรกีคนจีนแล้วก็ยะยุดกามยุด ยาฟิสเนี่ยนะเป็นบิดาของพวกตุรกีเป็นบิดาของพวกจีนเป็นบิดาของใครนะยายุดและก็มะยูสนะครับไปตามตับสีอิบนะครับอธิบายนะเอามาดูกุรอานนะกอลามามักกันนีฟิฮิรับบิเคยเขาดุลคนนายกล่าวว่า สิ่งที่พระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงตั้งหลักแหล่งฉันให้มีอำนาจมีการปกครองแก่ฉันนั้นน่ะยิ่งดีกว่าดียิ่งกว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ฝ่าไอ้โนูนี้ดังนั้นพวกท่านจงช่วยฉันบีกูวัตินด้วยกำลังมาถึงต้องการเลเบอร์ต้องการคนงานบิกูวัตินด้วยพละกำลังอัจจัลไนนักุมวะไนนักุมรรดมา ฉันจะสร้างกำแพงหนาๆนานากั้นระหว่างพวกท่านและพวกเขารดมานี่แปลว่ากำแพงนะในตับสิท์อธิบายนาฮะจันทรซีนันที่กั้นป้อมประการที่แข็งแรงมั่นคงนะครับ <c oughs> อาญานี้ต้องการที่อธิบายอย่างนี้ยุลก้อนในเนี่ยพูดแสดงว่าเขาเป็นคนดีน ะ, ะหนึ่ง ตัดสินอธิบายไว้มีอยู่แปดแปดประการประการที่หนึ่งอัลลอฮ์ยูลกนัยเนี่ยกล่าวว่าไงนะอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงตั้งแหลกหลังหลักแหลงให้แก่ฉันไม่ลืมอัลลอฮ์เราได้มีบ้านมีที่ดินก็ต้องนึกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะมีบ้านอยู่มีภรรยามีที่อั Allah, ลลอฮ์เลยมีงานทํามีสุขภาพแข็งแรงต้องนึกถึงอัลลอฮ์ต้องโยงกับอัลลอฮ์นะ ต่อมาครับสองให้ฉันมีอำนาจมีเงินมีกองคลังมากมายเราก็มีเงินอะละเดือนละหมืน่นของหมืน่นคำทูลิละขอบคุณอัลลอฮ์สุภาในตาละนะครับข้อที่สามให้ฉันมีอำนาจปกครองเป็นผู้นำคนสุลกายนายไม่ลืมอัลลอฮ์ข้อที่สีสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ฉันนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่ท่านจะมอบให้ฉัน นะครับเป็นเครื่องบรรณาการเห็นไหมของมีแล้วไม่แล้วโมบที่จะหาเอามาใช้เป็นของตนเองนี่เป็นคนดีนะครับเป็นคนที่มีคุณธรรมข้อที่ห้ารุลกอร์นายขอบอกว่าขอให้ช่วยฉันด้านกําลังคนในภาษาตัาเซตภาษาอูนดูบระกอบขลเลเบอร์ขอได้นะขอคนมาช่วยทํางานมาช่วยออกแรงข้อที่หก ฉันจะสร้างกำแพงโดยไม่เอาเงินจากท่านเลยสักบาทหนึง่งฉันจะสร้างกำแพงให้ฉันไม่เอาเงินจากคุณแต่เอาอะไรนะเอาเลเบอร์จากคุณข้อที่เจ็ดจงสร้างกำแพงกั้นนะครับระหว่างพวกเขาเราจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างพวกเขาและพวกเราข้อที่แปดวิธีสร้างกำแพงนะั่งยุลกอมในทำอย่างนี้มีความเห็นว่า วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างกำแพงคือปิดทางผ่านระหว่างภูเขาทั้งสองลูกอ่าเห็นไหมนี่สอนเราหลายอย่างเลยนี่กันาบางคนก็ตีความกำแพงจีนหรือเปล่าก็ตีกันไปนะพะอัลลอให้ปัญญามาก็คิดกันนะออมองเมืองไดไเบอร์ลินหรือเปล่ามันตีความได้เยอะอ่ะล่ะ คิดกัไปกันลกกันมีกําแพงแสดงว่าเรื่องกําแพงกั้นนี่ในคัมภีอัลกุรอานพูดไว้แล้วนะอจากจานเนี่ยอิสราเอลนี่เหมือนกั้นกาแพงเหมือนกันระหว่างอะไรนะอิสราเอลกับปาเลสไตน์เห็นไหมเขาจะเอาไอเดียจากกุรอานนี่แหละเขามองว่าปาเลสไตน์นั่นมันเลวแต่มุสลิมมองว่าอิสราเอลนมันเลวเห็นไหมทามองตามกุรอานนะใครเลวทามองตามมรรดณ์นะใครเลว พิจารณาดูเองก่อนละกันอัลลอฮ์ให้สติปัญญามานะครับอาต่อมาอายาที่96อัตุนิซุบาร์ลฮัดีด حتى إذا سوَّا بين الصدفين قالن فخو حتى إذا جعلو نار "قال آتونى أفرغ عليه قطرة آتونى زبرال هديد" ดูคนนายนพูดบอกว่าพวกท่านเนี่ยจงเอาเหล็กอะซูบาร์เนี่ยซูบาร์เป็นพระหุน์ของเขาว่านะซุบาร์แปลว่าอะไรนะเหล็กท่อนตโตโตเป็นพระหุน์แปลว่าหลายหลายท่อนฮดีดแปลว่าเหล็กนะ เอาเหล็กท่อนโตๆเนี่ยแบกมาให้ฉันอาตูนี้แปลว่ามาให้ฉันยุลกอรไนเนี่ยสั่งนะครับชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยบอกว่าพวกท่านจงเอาเหล็กท่อนโตๆหลายท่อนมาให้ฉันต้องต้องศึกษาก่อนวันเหล็กเนี่ยในคัมภีร์กุรอานมีพูดไว้ไหมมีสุรฮัดดเพราะว่าเหล็กเลยนะ่ะเหล็กเนี่ยเราได้ประทานลงมาให้กับมนุษย์ เพื่อเอาไปสร้างความเข้มแข็งเสริมความเข้งแข็งให้กับงานที่อาชีพที่เราทําอยู่สร้างบ้าน็อาศัยใช้เหล็กสร้างสะพานเหล็กสร้างทุเรียนก็อาศัยเหล็กหมดเลยฮดีนิบบเบลเหล็กนะนะครับไอรอนยูลกันนายบอกง่ายนะท่านจงเอาท่อนเหล็กโตๆหลายท่อนมาให้ฉันเพื่อเสริมสร้างประตูกาตาาําแพงฮัจราซาวา จนกระทั่งเมื่อเขาได้ถมที่ระหวา่างภูเขาทั้งสองให้ราบให้เต็มนี่ท่านแนะนำนะให้ถมที่ก่อนเหมือนกับสอนพวกอินเนียริงันพวกอินเจเนียร์เองจะปลูกบ้านเนี่ยทำอะไรกะทาอะไรก่อนนะถมที่ก่อนนี่แสดงว่ายิ่งใหญ่มากอะ่ะอาบ้านที่ถมแล้วก็ปลูกกับบ้านที่ไม่ถมแล้วปลูก รอตายกันเยอะนะ่ะโอ้โหร อ, อ, อ, อน้าท่วมไปเทอะแล้วก็ยุ่งก็เยอะใช่ไหมพอถมแล้วเราก็ปลูกบ้านอลอร์อกากวนบ้านก็สวยสะอาดยุ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีลงทุนเยอะไหมแน่นอนต้องลงทุนเยอะจะสร้างบ้านที่อรถอารถาลาจัดให้จนกระทั่งเมื่อเขาได้แล้วถมที่ระหว่างภูเขาทั้งสองให้ราบให้เต็ม จึน ไ, ได้สั่งให้เอาอะไรนะเตาหลอมมาพอสั่งเอาเตาหลอมมารุลก่อนนายสั่งว่าอุมอัมฟูคูจงเป่าลงไปอจงเป่าเตาหลอมให้ให้ลุกเป็นไฟนี่สอนใครสอนวิชาอะไรนี่วิชาอะไรนะนี่วิชาการอะไรนะอะทั้งหม ด, ดนะี่เนี่ยเอาล้อให้หมดเลยนะใช่ไหม น, นะลลน่ะเอาล้อแนะนําเล็กๆน้อยๆจากกาีกราุรอาน ว, วิชานะี่วิชาอะไรบริหารอะไรนะวิชาอินเจเนริใช่ไหมล่ะการจัดการการง่รอทรงก่อสร้างอยู่ที่นี่หมดเลยนี่เนใช่ ไ, ไนี่เป็นต้น <c oughs> แล้วก็ต่อมาอีกฮัตติยาจารูนาโรซุลกันไนน์บอกว่าจมเป่าสิเป่าที่สูบลมจมกนกระทั่งเมื่อทำให้มันร้อน แดงเป็นไฟเสร็จแล้วกอลอาตูนีอูฟรีย์ไกอโปรจงเอาทองแดงที่หลอมแล้วนะ่ะมาให้ฉัน Allah, อล๋ออุบัติเหตุไหมมีทองแดงเข้ามาเกี่ยวข้องมีเหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าเหล็กกับทองแดงนี่มาผสมกันอล๋อเนื้อมันก็เหนียวมันก็เข้มแข็งแข็ ง, แ, ข ง, แ, ขงแกรง่งยิ่งกว่าเหล็กธรรมดา เอาทองแดงมาผสมกับนี่พวกนักกสมก่อสร้างเของาอัลเลมด้านนี้นี่คุรานแนะนำไว้แล้วตะกม บ, บทไม่ได้เองเพราะในกัมภีกคุรานอธิบายชี้ทางนามการบริหารจัดการทำให้มันร้อนแดงเป็นไฟแล้วก็รุนกรอนนายก็บอกว่าจงเอาทองแดงที่หลอมแล้วมาให้ฉันเพื่อฉันจะได้เทลงไปบนมัน ทองแดงเนี่ยช่วยเคลือบเหล็กให้มีความแข็งแกร่งยิ่งอห้ามดุลิลเลอร์ว่าบัต่นี่เหล็กกับทองแดงผสมกันมนลื่นด้วย <c oughs> พอเอาไปทําตรงนั้นเนี่ยพวกรุ่นอะไรนะยาจุดมายูดมันจะปีนก็นปีนไม่ได้มันก็ลื่นน่ะแข็งแกร่งด้วยลื่นด้วยถึงจะเจาะเจาะเจาะยังไงมันก็เจาะไม่ไหวนี่เป็นความคิดของใครของรุลนกรอนในที่พระตถาลาให้ความรู้มา ท้งดุนยาและอาคีรออัลกุตาล่ากนฉะนั้นงานนี่เป็นศาสนาทั้งหมดนะขอยากไปแยกนว่างานก่อสร้างเป็นงานดุนยาใครบอกงานศาสนาทั้งหมดนะพอมีอยู่ไรกะปีอัลกุตานทั้งหมดทั้งหมดเป็นศาสนาทั้งหมดแล้วก็ทำตามที่อลัลลอฮ์สั่งนี่ไงต้องลํำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูาลสิ่งที่ได้จะอาย่านี้ หนึ่งการถมภูเขาทั้งสองให้ราบนี่เตือนพวกเราจะปูบงปูบ้านปรับที่ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไมเดี๋ยวนี้มีเครื่องอะไรมีรถแท็กเตอร์ใช่ไหมอ๋อปราบห้ามดูละพวกท่านจงนำเอาเหล็กท่อนโตๆโตโมาให้ฉันตรงนี้อัลกรุรอานต้องการที่จะสอนให้มนุษย์รับรู้ ว่ารากฐานของอาคารทั้งหมดและสิ่งอื่นๆต้องเอาหินมาถมให้เต็มเพื่อให้ราบเรียบเอาหินบ้างเอาดินบ้างใช่ไหมข้อที่สองข้างบนของฐานที่เป็นหินก็คือเหล็กมีอะไรนะมีหินแล้วก็มีมีเหล็กนี่เราแนะนำแนะนำอัลฮัมดุลิลลาฮขอบคุณอัลลอสุบฮานาฮวะตาลาเอาต่อมากับอายาที่97้าบเจ็ด ฟัตมะตตาะอื่นย่ำฮ ت รูฟมะตตาะอื่นมะตตาอื่น له نقبة วมะต ط าะอื่น له نقبة ดังนั้นพวกข้ายัดยุดไม่ยัดยุดมายุดัตมะตาะอื่แปลว่าไม่สามารถ อ้ายยัษฮารู้ที่จะข้ามมันได้อัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์เล่าให้หมดเล่าให้ฟังดังนั้นกั้นกำแพงสูงๆเพื่ออะไรนะกันมาให้คนอีกกลุ่มหนึ่งฝั่งกันนู้นเนี่ยข้ามมาฝั่งคานี้ได้แต่ใช้เครื่องบินมันได้อยู่แล้วแต่ถ้าใช้คนใช้ปานปีนป่ายเนี่ยไม่ได้นะฟาเมสตาตัวอ้ายยัษฮารู ไม่สามารถที่จะข้ามมันได้อันเนื่องมาจากกะดรคคำอธิบายตบสิ่งก็คือเพราะมันสูงแล้วก็เหล็กกับอะไรนะทองแดงมันลื่นอพอป่าแล้วมันก็ลื่น อ, อนก็เจาะไม่ได้อีกแขกอีกใช่ไหมว่ามัสเตอร์ก็เอาละหูนั ก, กบาและไม่สามารถที่จะขุดโพรงผ่านมันได้โอเห็นไหมนักบาแปลว่าเจาะเป็นรู ไม่ได้เพราะความหนาแน่นและความแข็งแกร่งของประตูเหล็กเหล็กที่ผสมด้วยทองแดงนี่จะ อ, าะอา่านคุรานอัลลอฮฺอักบาร์ละฮามดุลิลละขอบคุณอัลลอนี่พี่น้องเราที่อ่านคุรานแล้วรู้ความหมายเนี่ยอิมานเพิ่มนะอิมานเพิ่มถ้าอ่านมารู้ความหมายคนนึกว่าฝรั่งแน่ที่ไหนได้คุรานสอนทุกเรื่องใช่ไหมฟัสลูอันละซิกลิอิงกุนตุมลาตัลเลมุนฝรั่งมันถามมุสลิมบอกว่า ในคุรานสอนวิธีาการทําผนมปังเลยว่วก็สอนอายาไหนฟาสลูอัลลาฮซิคลีถ้าไม่รู้ให้ถามถามใครถามคนที่รู้อยากจะรู้เรื่องทำผนมปังก็ไปหาคนทําขนมปังมามาสอนนี่นตามกุรานแล้วฟาสอลูอัลลาซิคลีอิ่งกุนตุมลาะตะัดละมูนอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ปัญญามานะฮัมดูดิแล้ว ต่อมาอายะที่98อายะสุดท้ายโอลฮะดาอัลห์มะตุมิร์รบบีอัลลอฮ์เห็นไหมไ ด, ได้นู่นได้นี้ได้นี้ได้นั้นไม่ลืมอัลลอ์พูดว่ายังไงขาวุลกอรไนน์กล่าวว่าไงนะฮาดาอัลห์มะตุมิร์รบบีนี่คือพระเมตตารักมะแปลว่าพระเมตตา คาเมตาจากใครมิร บ, บีจากพระผู้อภิบาลของฉันเห็นไหมมีเงินไม่ลืมอัลลอฮ์มีทหารไม่ลืมอัลลอ์มีกองอะไรนะ่ะมีไปล้อมล้อมล้อมบ้านใครประเทศใดชนะหมดไม่ลืมอัลลอ์มีความรู้ไม่ลืมอัลลอ์เพื่อสอนเราวันนี้เวลาเรามีอะไรพักเล็กๆในน้อยเนี่ยอย่าลืมอัลลอฮ์สุบฮานาวะ ต, ตาลา เราต้แค่มีพระยาอัลลอ์ดีใจอย่าลืมอัลลอ์มีลูกอย่าลืมอัลลอฮ์อ้าวอบรมลูกให้มีอะไรมีสองอย่างพอแล้วคือที่บ้านเนี่ยอบรมลูกให้ทาแค่สองอย่างนะไอ้ส่วนความรู้ไอ้โนเลชเนี่ยหาได้จากสถาบันแต่ที่บ้านเนี่ยสอนอะไราศาสนากับสอนมารยาทที่บ้านเนี่ยให้สอนอะไรนะ ศาสนาอ้าวม น, นมาธาให้ติดปลุกลูกให้นามาติปลุกลูกให้อ่านพูดอ่านปลุกลูกให้ท่องด้วยศาสนานะอืมให้นามาห้เป็นเห็นไหมสุยุดนานๆเห็นไหมเวลาขอสตังพ่อเนี่ยก่อนจะขอสตังพ่อเนี่ยให้ขอจากอลัลลอฮ์ก่อนอลัลลอฮ์จักขอสตังหน่อยใช่ไหมแล้วก็ขอพ่อทีหลัง ทั้งหมดนั้นต้องเริ่มจากครอบครัวแล้วก็สอนให้มีมารยาทที่ดีแขกไปใครมาต้อนรับแขกพี่ป้านาอามาต้องดูแลต้องตอนรับที่บ้านสอนกี่เรื่องเดี๋ยวมันจะลืมสองเรื่องอะไรนะให้มีศาสนากับให้มีอัครมารยาทที่ดีงามส่วน knowledge อะไรให้ลูกความรู้ได้จากสถาบานันสองลูกไปเรียนไปจบไป เราผมอยู่อินเดียนะผมมองดูนะบ้านมีลูกแปดคนไม่ได้อยู่บ้านสักคนนึ่งผมตามลูกไป น, นั้งบนอยู่บอมเบย์คน ก, นกันกาตาคนไปเรียนหนังสือไปอยู่ทรงทรงทร ง, งไปอยู่กันผมมีเพื่อนอินเดียเยอะมีแต่พ่อแม่อยู่ก็สองคนลูกไปอยู่ต่างถิ่นต่างถิ่นหมดทรงไปเรียนหนังสือเราเอาางเพื่อเหมนกันนะนะครับมีลูกทรงเรียนหนังสือ ศาสนาได้จากใครได้จากพ่อแม่อักษรได้จากพ่อแม่จะให้พูดให้ลูกพูดจาร์ดังๆอะ่ะได้ไหมได้แม่ตะคอตะคอลูกมันติดนิสัยตะคอคนไปหมดนะะั่นแหละอาจารยแม่พูดจารนิ่มๆๆๆดิ่มนิ่มดีดีอัลลอฮฺลูกได้อักากไม่ไปไม่ใช่นะเอาสารุป ไฟจะเจ้าอาวะดูร บ, บีดังนั้นเมื่อสัญญาของพระผู้อภิบาลของฉันสัญญาที่นี่หมายถึงการลงโทษน ะ, ะ<ม>คำว่าสัญญาสัญญาสัญญาเนยส่วนใหญ่จะพูดถึงการลงโทษมเมื่อการลงโทษของพระผู้อภิบาลของฉันมายาเลหูดักพระองค์จะทรงทำให้กำแพงประตูนั้น พังทลายต้อง้องว่ากำแพงที่ว่าสร้างหนาๆเนี่ยโอกาสพังมีไหมมีเอาทองแดงผสมเหล็กนะีมันใหญ่ที่สุดแล้วนะเข้มแข็งที่สุดแต่โอกาสพังมีไหมมาตอนไหนตอนที่อาซาบของอัลลอฮ์มาการลงโทษของอัลล์มาจะได้อัลลอ์ลงโทษทำไมอ่ะลงโทษทำไมครคนมันเลวขึ้นง ที่อ e e er ga uh er ัลลอ์ลงโทษบาวของอัลลอ์นะเพราะคนไม่เอาศาสนาทิ้งศาสนาพอทิ้งศาสนาอัลลอ์ก็ลงโทษขนาดกำแพงหนาๆแน่นๆอย่างอะไรนะอย่างพังวกันาวดูรับบีฮะกอแทจริงสัญญาว่าดูแปลว่าสัญญาสัญญาการลงโทษเนี่ยนะ ร็อบบีจากพระผู้มหาบานของฉันนั้นฮักโกแปลไว้นะเป็นเรื่องจริงเสมออาเป็น้องนึกถึงภาพอัจาบของอัลลอฮ์เนี่ยมันมาตลอดเวลานั่นแหละเห็นไหมแต่สมยัยอะไรสมัยนุมรุดก็มีอัจาบสบายนัวก็มีอัจาบนบีอิบราฮีมมีนบีมูซามี ม, มด แต่สมัยนี้เนี่ยอาบาบใหญ่ๆแบบนั้นนะไม่ค่อยมีเพราะอัลลอฮ์ประกันเอาไว้แล้วประกันอย่างนี้ถ้าับนบี ม, มุฮัมมัดยังอยู่ยังมีคนต่อว่าพิกษามบะอยู่ยังมีคนกล่าวว่าอัลลอฮุมะกุฟิดลีอยู่นี่นะคนที่ทำบาปใหญ่ๆเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษกุรอานตงานรงไหนครับว่ามากอัลลอมอบะฮุมบะฮุมยสตัรุน Allah จะไม่รีบลงโทษคนที่ทำบาปบาปบาปบาปบาพชั่วชั่ ว, ช, วชั่วอยู่ขณะที่ยักวะหุมยาสตัฟิรุนขณะที่ภูเขากาลังขออภัยโทษจาก Allah อยู่หมายถึงติมั ก, กานูา่นน่ะที่เดินตวักนู่นน่ะอย่างนี้เป็นตน้นขอบคุณ Allah ท่าที่ Allah ไม่รีบลงโทษเราวันนี้ Allah ประวิงเวลาคดีอัลอินติอรอดประวิงไว้ไรอยู่อัคคีรุหม ประวิงเวลาพวกขาไว้ประวิงเวลาเนี่ยดีไหมดีอย่างพวกเราเนี่ยเอาล่อปรวิงเวลาไม่ทําโทษเราในความผิดที่เราปฏิบัติทาเราได้มีโอกาสมานมาอาที่มัสยิดมาฟังศาสนาใช่ไหมแต่ดูขึ้นนมาต่หัดยุดแต่ต่อบาตัวต่ออัลลอฮ์ดีได้ไมด่ดีดีเนี่ทลารอดเล่นงานเราทุกรุกเรื่องที่เราทํานะบาเนี่จะรอดเหรอ ขณะนี้ก็มาสู่เราไม่ไหวแล้วโรคหัวใจกินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอัลลอฮฺประวิงเวลาไม่ลงโทษเพื่อให้เราได้ปรับปรุงให้เราแก้ไขให้เราติบบ้าตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาอัลลขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลลอฮทีนี้ข้อสรุปจากซุลกอร์นายะยุดมายุดผมสรุปมาเนี่ยประมาณสิบห้าข้อนะขอพูดสั้นๆเลยนะข้อที่หนึ ยาจูดกับมะจูดเนี่ยนะอยู่ในสมัยเดียวกันกับใครนะกับกรุ่นลูกกอดนอยู่ในสมัยเดียวกันยาจูดกับมะจูดเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นตระกูลของลูกนบีนวัวชื่อยาอไรยาฟิสยาฟิสเนี่ยมีมีตร ะ, ะกูลอย่งตุรกีสองจีนสามยาจูดและมะยูดนะ ยายุดมะยุดเนี่ยเขาบอกใบหน้าหน้ากระมาณนะหน้าใหญ่ตาเล็กหน้าใหญ่แต่ตาเล็กและใบหน้าเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนโล่ที่ถูกทุบนึกภาพสิเหมือนโล่ที่ถูกทุบใบหน้าของพวกเขามีแต่ความเบี้ยวบูดซึ่งไม่ต่างอะไรกับโล่ที่ถูกทุบ อันนึกภาพเองเหมือนกันคนหน้ามานคนไม่สวยแบนแบงนะหน้าใหญ่ตาเล็กอีฺขดิษหนึงพูดว่าจมูกบี้อ๋อเอานะอ่ะทีนี้ขดิษมีสอนอย่างงี้นะครับนบีมุฮัมมัดนี่มีอยู่วันหนึ่งขึ้นขุตบะพวกท่านเนี่ยชอบพูดพวกเราเนี่ยชอบพูดซอบ้านนบีชอบพูดว่าไงนะ เอออย่าเป็นศัตรูกันนะอ่าเราพูดไหมเราก็พูดอย่าทะเลาะกันนะอย่าเป็นศัตรูกันนะแต่เผลอไม่ได้บางทีพูดตอนตอนแปดโมงชาบก่าเก้าโมงเอาแล้วเราเองนะ่ะทะเลาะกันแล้วใช่ไหมพูดว่า้นะอย่าทะเลาะกันแต่เรานี่เผลอไม่ได้ชอบทะเลาะกัน แล้วก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งย้ยยุธมายุธออกมานะเอาข้อที่หนึ่งเรื่องราวของประวัติของย้ยยุธมายุธเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยเดียวกันกันกบก ษ, ษ, ษัตริย์รุ่นกอร์ไนนะรุลนกอร์ไนนเป็นคนดีไหมเป็นมุสลิมเป็นกษัตริย์ที่ดีเหมือนกับนบีอะไรสุไลมานอะลียดิสลามสองรุ่นกอร์ไนเป็นบุคคลที่เดินทาง เรียกร้องมนุษย์สู่ Allah. อัลลอฮ์ุลกรไนเนี่ยเดินทางพิชิตเมืองทั้งหลายในโลกนี่แหละไปทางตะวันตกไปทางตะวันออกไปทางทิศเหนือเป้าหมายคืออะไรเรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์สุบฮานาอูวะตาลาด้วยมารยาทที่ดีอั خ ลากที่ดีไม่อำนาจอ่ะอเมริกาทำแบบนี้เปล่า นะข้อที่สามอัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ซุลกอรไนในห้ารายการนะครับหนึ่งให้อำนาจเงินพลังทรัพย์เงินทองมากมายสองให้กองทหารที่เข้มแข็งกำลังพลแสนยานุภาพข้อที่สามอ า, าอาวุธสงครามสามารถปราบศัตรูแบบง่ายได้ข้อที่สี่การปิดลอ้อมทุกครั้งที่ศัตรู ทุกครั้งนะยกประตูยอมยอมแพ้หมดนะข้อที่ห้าความรู้ทั้งสองด้านเลยด้านศาสนาและวิชาทางโลกสามัญด้วยนะนักประวัติศาสตร์โรมันนดบอกว่ายุลกอรไนเนี่ยอยู่ในสมัยก่อนสมัยคริสต์ศักราชก่อนนบีอีสามาประมาณสามรอปีเนี่ยุยลกอรไนเนี่ ย, ยกับอะไรนายะยุดมายุดเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ย, ยมันมาแล้วนะสมัยไหนนะ สมัยก่อนนบีไอซาอลิ s l a นี่เป็นประวัติศาสตร์ของโรมันอ่อธิบายเอาไว้นะมาอยากมาแล้วใช่ไหมล้วจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งอย่ายุดมาจูจะต้องมาอีกครั้งหนึ่งก่อนวันตียามะมีห a ด i ษ h จอธิบายให้ฟังข้อที่สีเมื่อดุลกอนไนน์ยกทัพ ไปแต่ละครั้งใช่ว่าจะยึดเอามาเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของตนเองเพื่อสนองความต้องการก็หาไม่แบบอเมริกาทำวันนี้ไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกับประเทศผู้มีอำนาจในปัจจุบันแต่ยกทัพเพื่อเรียกร้องเชิญชวนชาวโลกไปสู่อัลลอ์เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักอัลลอ์ เชิญชวนมนุษย์ให้เลิกทำชีริกแล้วก็เข้าหาอัลลอฮ์สุบฮานาอูวะตลัลลานั่นความประเสริฐของรุลกอรไนน์ข้อที่ห้าุลกอไนน์เดินทางไปทั้งสามทิศเพื่อเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอ์เนี่ยไปทางทิศตะวันตกและต่อมาทางทิศตะวันออกและต่อมาทางทิศเหนือนะครับหก เมื่อเดินทางไปทางทิศเหนือตอนทางตอนทิศเหนือเนี่ยเป็นดินแดนที่มีภูเขาสูงเรียกว่าซับซ้อนครับเมื่อเดินทางไปได้ได้ไปพบชนกลุ่มหนึ่งที่เชิงภูเขาทั้งสองนั้นซึ่งพวกเขาทั้งสองกลุ่มเกือบฟังกันภาษากันไม่รู้เรื่องแสดงว่าเดินทางไปไกลามากเลยนะข้อที่เจ็ ที่ภูเขาสองลูกใหญ่นั้นทำไมยรุลกก็ น, นาได้รับข่าวว่ายาจุดมาจุดอยู่ฝั่งคนูนนะครับเนี่เป็นความรู้ทั้งหมดข้อที่แปดนบีนัวอัลยิสลามหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วลูกของท่านมีอยู่สามคนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะซามเป็นบิดาของชาวเปอร์เซียและยุโรปอ่าอีตับซิทอ ธ, ธิบายดีนะ ซามเนี่ยลูกของเดบีนัวน่ะเป็นบิดาของชาวเปอร์เซียอิหร่านและก็ชาวยุโรปทั้งหมดสว่วนฮามเนี่ยเป็นบิดาของพนแอฟริกันชนผิวดำสว่วนยาฟิสเป็นบิดาของชาวตุรกีชาวจีนและชาวยาจูดกับมาจูดนะข้อที่เก้า ยาจุดและมนะจุดน่ะเป็นผู้บ่อนทาลายสร้างความเสียหายในแผ่นดินต้นคุอ่านตรงไหนอิน ut, ut, ut, นะยาจุจว่มะจจมุฟซิดนฟิลอรนะข้อที่10ยาจุดกับมะจุดเนี่ยเป็นเป็นชื่อเผานะสองกลุ่มนะยาจุดกับมะจุดสองเผานะอ่าสองเผายาจุดมะจุดเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤ นะสับนี้ไม่ใช่สับภาษาอับกัษนะถามว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นคนนะไม่ใช่เป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่เป็นยักษ์เป็นมารอย่างที่พวกเราเข้าใจกันซึ่งพวกเขาเป็นลูกของนบีนวลเป็นลูกหลานของนบีอาดัมนี่แหละแต่เป็นตระกูลมาจากตระกูลยาฟิส <Fifth. S 1> อ่านะครับข้อที่สิบ บางคนเล่าให้ฟังว่ายะยุทธมายุทธมีหน้าตาเหมือนมนุษย์บางคนบางคนว่ามีหูยาวหูยาวของยะยุทธมายุทหูมันยาวและบางคนอธิบายว่าหูมันก็สั้นผู้ชายในกลุ่มพวกเขาเนี่ยนะจะยันไม่ตายจนกว่าเขาจะได้ลูกชายแท้ๆอีกพันคน มันจะยายขนาดไหนไงอย่างคุณเฉลิมเมียก่อนจะตายเนี่ยต้องมีลูกชายเทาย่าไร่ันหนึ่งลองก่อความเสียหายอร่อยอนะอันในเรื่องเนี่ยจบไปแล้วนะจะมาใหม่อีกนะเราเราเราเราคงตายไปแล้ว <c oughs> ลูกหลานเรานั่นแหละฉะนั้นวิธีปกป้องคือให้ลูกหลานเรานั้นมีอะไรมีศาสนา ถึงมีกำแพงก็ไม่เรียบก็กำแพงโอกาสพังมีไหมมีถ้ามีาศาสนาปลอดภัยนะอ้าวทีนี้ข้อที่สิบเอ็ดมีนักประวัติศาสตร์ให้ความเห็นว่าภูเขาใหญ่สองลูกนั้นอยู่ในอาเซอร์ไบจันกดไปดูนะและอาร์เมเนียออยู่ในอ า, อาเซอร์ไบจันและอาร์เมเนียแต่ไม่มีการยืนยันนะ กลุ่มชนกลุ่มที่ร้องก็ขอร้องให้ยุลธกรอนนายช่วยสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการรุกรานของยะยุทธมายุทธโดยเสนอทรัพย์สินเงินทองเครื่องบรรณาการที่ได้รวบรวมมาจากกลุ่มชนของเขาซึ่งมีอำนาจมากเพื่อเป็นค่าจ้างให้ยุลธกรอนนยแต่ยุทธกรอนนายปฏิเสธบอกไม่เอา นี่แหละเป็นคนดีไหมดีแต่พวกเราเอาไหมโอ้ โ, ฮโฮหรว้แลกก็เอาอีกแต่รุ่นก้อนนยไม่เอาบอกว่าที่อัลลอ์ให้กับฉันน่ะดีกว่าคุณตั้งเยอะอัลฮัมดุลิลแล้วข้อที่สิบสองรุ่นกรอนนยเนี่ยขอร้องชาวบ้านสองเรื่องช่วยเอาท่อนเหล็กโตๆมาให้ฉันสองให้ช่วยปรับพื้นที่บริเวณภูเขาทั้งสองให้ราบเรียบ หลังจากนั้นชาวบ้านจึงนาเอาท่อนเหล็กโตๆมาวางเรียงกองพเนินสูงแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อหลอมเหล็กจนร้อนหลังจากนั้นก็เอาทองแดงหลอมเทราดลงบนเหล็กตามช่องประตูซึ่งมันจะสร้างความแข็งกร่าให้แก่เหล็กในสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้พบว่าการผสมทองแดง ส่วนหนึ่งเข้ากับเหล็กจะทำให้เหล็กมีความแข็งแกร่งและมีประสิท ธ, ธิภาพความทนทานยิ่งขึ้นวันนี้ก็ใช่แล้วใช่ตามาอูกุรอานอายานี่ข้อที่สิบสามยะยุธมายุดซึ่งมีอยู่อยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาไม่สามารถปีนป่ายข้ามมาได้เพราะความสูงและความลื่นของเหล็กในเวลาเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะขุดเจาะประตูเหล็กข้ามมาได้ พอความแข็งกล้าของเหล็กจนถึงวันกล้ายวันติยามะพระองค์จะทรงทำให้กำแพงกาแพงนี้นะ่ะพังยุลดอรไน์ได้สร้างขึ้นนะครับกาแพงนี้พังหลังจากพังแล้วเนี่ยยะยุดมายุดก็จะออกมาสร้างความเสื่อมเสียเสียหายให้ในแผ่นดินซึ่งหมายถึงวันติยามะส่วนรองวายะยุดมายุดเนี่ยมากี่ครั้งสองครั้ง ครั้งแรกเนี่มาไปแล้วนะก่อนนบีอีซาสามร้อยปีแต่ว่าจะมาอีกทีหนึ่งมีคนถามว่าตอนนี้ยาอายุทยายุทยู่ที่ไหนตอบไม่ได้วเล่าว่าคราับเอาต่อมากับยาอายุทยายุทได้เกิดขึ้นมาแล้วในในยุคอดีตสมัยยุลก่อนนและแน่นอนยะอายุทยายุจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งใกล้วันตรยมะ นะครับมีผู้สงสัยว่าย่ายุตมาอายุตอนนี้หายหน้าไปอยู่ที่ไหนครับตอบต่อไม่ได้อลัลลอฮ์ให้งงงเวงงั้นแหละข้อที่สิบห้าเครื่องหมายของสัญญาณใกล้วันตียมามีทั้งหมดห้ารายการผุณขออธิบายนะหนึ่งนบีขึ้นพูดลาตะกูนะอัสซาฮัตตะตาราวัชรอายา วันเกียร์มากจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านจะได้เห็นสิบรายการรายการที่หนึ่งคอสฟุลบิลมาซิลิแผ่นดินถลม่มบ่อยครั้งทางทิศตะวันออกแต่ดินไหวถล่มด้วยไหวด้วยอันที่สองว่าคอสฟุลฟิลมาิิทางทิศตะวันตกก็มีแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มบ่อยครั้งอันที่สามว่าคอสฟุลบีจเจรีหรือติลอารับในคาบสมุทรอาหรับก็จะมีแผ่นดินไหวและ แผนดินทลลมบ่อยครั้งวัดดูคอแล้วก็มีควันควันจากอินโดนีเซียมาปกคลุมมาเลเซียสิงคโป ร, ร์หรือเปล่าคิดเองมันเพราะฮัเดียมันซอยเราคิดหมดอ่ะใช่ไหมข้อที่หกข้อที่ห้าดัญจานดัญจานหมายถึงคนเร็วๆนี่แหละออกมาล่อลวงมนุษย์ให้หลงผิดออกจากศาสนา มันก็มาแล้วตอนนี้ข้อที่หกดาบปะตูอัดีมีสัตว์ที่ออกมาและพูดได้เรียกร้องคนสู่อัลลอฮ์อ้า <c oughs> จะมีสัตว์ออกมาใช่ไหมแล้วมาเรียกร้องคนสู่อัลลอ์มาหาอัลลอฮ์มาหาอัาลลอฮ์อัลลอ์อัผมนึกถึงนกแก้วผมเรียกเอาไว้ <c oughs> <c oughs> ผมพหาสลามทุกวันนะมันเห็นหน้าผมอัสสลา ม, มาได้กุมันพูดเสียงเหมือนผมเลย <c oughs> คลายร่กงไปแล้วหาย มีปัญหาเอาหายไปข้อที่เจ็ดยะยุดมะยุดจะออกมานี่ไงเห็นไหมแสดงว่าสองครั้งครั้งแรกนะออกมาแล้วนะในครั้งที่สองเดี๋ยรอ <c oughs> ข้อที่แปตูลุอุชัมสุมินมาเรลีบิฮะดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกอ่าเปลี่ยนทิศแล้วเพลิดเปลี่ยนทิศอัน ท, ที่สุดวันนี้นะใครจะเตาบาตัวรีบเตาบาซะ ถ้าไปตาบ้าตัวพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกหมดสิทธิอ์อัลลอฮ์ไม่รับแล้วตาบ้าของคุณโอโ้โหใช่ไหมและอีกอย่างหนึง่งให้รีบเตาบ้าก่อนที่วิญญาณจะมาถึงคอหอยพอลูกเข็นพ่อเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าพ่อตาบ้าตัวต่ออลัลลอฮ์แล้วนะลูกเอ้ยไม่เอาแล้วเร็วๆอลัลลอฮ์ไม่รับ อีกห้านาทีจะตายเียอีกครึ่งชั่วโมงจะตายแล้วนั่นต้องเตาบ้าตอนที่เดินเดินได้นี่แหละกำลังแข็งแรงอยู่นี่นะเอาข้อที่9ก้าวานารุนตักรูยูมินกอเดียอันเดนไฟจะออกมาจากข้างล่างของเมืองเอเดนอัลลอี่นะบีพูดเนี่ยเป็นเป็นอะไร น, นะเป็นไอคนะ์มาตั้งบนเลยเอเดนที่ไรประเทศอะไรเยเมนนี่ใช่ไหนะ่ะ เนี่ยไฟมันจะออกมาใต้มองเยเมนแล้วก็ข้อที่สิบเนี่ยไม่ใช่ออกมาแล้วคนจะจะต้อนคนเนี่ยจะมีการต้อนคนไปที่ทุ่งมาชัดโอ้โ ห, โหนี่ยิ่งใหญ่มากนะอาพี่น้องท่านอบีดุลเราะห์ท่านท่านท่านซูฟยานเนี่นะสอนอย่างงี้ มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพยานาบีเล่าเองอิสตัยคอซนนาบีมินเนามิฮีท่านนาบีลุกขึ้นมาจากหลับนะตกใจตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยใบหน้านาบีนแดงมุฮ oh ัมมัดเรว่าหน้าแดงว่วัยกูลพอนาบีตื่นขึ้นมานาบีว่าคำนี้ละ il อิละฮะอิละลอเรานามาประชัยด้วยนะพอตื่นขึ้นมาจากที่นอนว่าไง ลาอิลาฮิลาลลอมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่คอนคสเนี่ยสมัยสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยตอนตีสามกลางคืนชื่อแชวังพอตื่นมาเนี่ยกล่าวคำนี้ แ, ลแลหละลาอิลาฮิลาลลอโจนมันอยู่ข้างล่างไม่แอบอยู่พวกปล้นสมัยก่อนก็ใช้ปล้นปล้นเนี่ยมันมันมันมีข้อดีอย่างบ้านมุสลิมมันไม่ปล้น บปคนอื่นคนหมดมันจะยินคนข้างบนอ่านแล้วอิละอิละล้อบอกเฮ้ยบ้านมุสลิมเนี่ยเอ้ยกลับกลับเลยเราขามมาส่งขามมาวันหลังบอกว่าดีนะท่านอ่านอิละอิละลอตอนตอนตอนตอนพริกตัวน่ะฉันเลยกลับที่ไหนปนแล้วบ้านญาติตัวเองพี่น้องเราอยู่แถวๆนั้นแถวดอนเมืองปั่งนุ่น อาจจะในฝันนบีพูดอย่างงี้นะนบีพูดว่าไวรุน ล, ลิลอาอับอาบเอ้ยความพินาศจะมาสู่คุณแล้วมินชัตริความชั่วความพินาศเนี่ยจะเกิดกับชาวชาวอา랍ก็เรียกตั้าแต่ฟัดฮุเล้วนี่นะก่ายจะพิชิตแล้วก่ายจะเปิดแล้วพวกยะยุดมะยุดจะเข้ามาเล่นงานกลุ่มอารบทั้งหมด เพราะว่าคง ม, มาแล้วตอนนี้ก็ได้นะมาแล้วทะเลาะกันแรงเลยใช่ไหมไม่ยอมอยู่ไม่ยอมรวมกันใช่ไหมแล้วมีคนถามท่านนาบีพะยะท่านนาบีถามบอกว่ายาดุสุลลอห์อานุลลิกุวะฟีนัสซอลีฮุนพวกเราจะถูกเล่นงานจากยะจุดมาจุดจากคนเร็วๆทั้งๆที่คนดีๆในกลุ่มพวกเราบอมีกันเยอะเนี่ยจะถูกเล่นงานหรือ ก็จะนำผูกเล่นงานนบีบออิดะกัสวัลโคบสถ้าหากว่าคนชั่วมากกว่าคนดีถ้าความชั่วมันมากมากมากแล้วคนดีปราบไม่ไหวแต่ว่าเวลาอาดาบมันมานี่นะเลิกการเล่นงานจากศัตรูมานี่นะเราอาจจะต้องตายแน่แน่ใช่ไหมตายในสภาพไหนสภาพที่เรามี إ ي م านต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็จะฟื้นขึ้นในสภาพที่เรามี إ ม م ا ن ต่ออัลลอฮ์ในวันเตียมา แสดงว่าใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่โลกมันจะวุ่นวายท่านวิธีปกป้องไม่ให้ตัวเราเสียหายทําไงพี่น้องกลับมาหาอัลลอฮฺเาาราเรียนาศาสนาเยอะๆใช่ไหมเราก็ต้องการวันนี้โลกต้องการจะให้าศาสนาแยกออกจากเกียร์มาศาสนาอยู่ใ น, นสุเหราพอแล้วที่นู่นไม่มีที่นี่ไม่มีที่ตลาดไม่มีใช่ไหมไม่มีาศาสนา ท่า น, นเราต้องให้ศาสนาเนี่ยไปอยู่ในทุกๆแหล่งทั่วโลกนะครับการตนน้องแน่นอ น, นอนครับจิฮาดฟีสวิลลาต่อสู้ด้วยอารมณ์ด้วยต่อสู้ด้วยวัฒนธรรมด้วยต่อสู้ด้วยทุกอย่างต้องต่อสู้หมดเลยเป็นชายฮี ด, ด ค, ร ค, รครับอย่าลืมนะอย่า ก, กินข้าวด้วยมือซ้ายนะวิธีกินข้าวด้วยมือซ้าย เขาสอนอย่างนี้เอาช้อนซ่อมช้อนมจับด้วยมือใดมือซ้ายแล้วก็มีดมืออะไรมือขวานี่สเตกเข้าเนี่ยตรงเนี้ยส้นทอนี่แหละใช่ไหมนี่ใครสอนนี่ยาคูดีสอนจับมีดด้วยมือขวาซ่อมด้วยมือซ้ายแล้วก็หันชึบชึใช่ไหมในมืออะไรมือซ้ายนาบีสอนเองไหมอินนัชาต์ตอไนายะกูลู บิชิมาใช้ตอนกินอาหาร้วยมือทรายไม่งมาอย่างเงี้ยมันแสกออกมาแสกออกมาแสกออกมาแสกออกมาแันต้องนึกตลอดเวลา س ب น ا ัหุมบอบิฮมดิกะชดวลลลอิลัฮอิลลัตั anda astaghfirullahu t i ก i l l a i k w a s s a l l a i k u m w a r a h m a t u l l a b a